น้อยคนก็ตามต้องพูดได้จังห ว, ว, วะยอมเสียสลรทรัพย์กันวะเพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสลรอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพอรักษาสัจธรรมคือความจริงนี่เองคนผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นมนุษย์กันวะอย่างนั้นดังนั้นเหลือจากมนุษย์ไปเพราะมีความละอายแม้ผ้าลดในการถนน